ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลวงพระพุทธญาณได้นำเสนอการบำเพ็ญบารมีของพระพธิธสัต์คือพระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่ยังเป็นประพุทธสัตว์อยู่ก็สืบต่อกันมาโดยดําดับ และในขณะเดียวกันท่านก็แสดงถึงหลักฐานการบำเพ็ญบา ร, รมีผ่านภพชาติต่างๆมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามวโกณทัญยะคือหลังจากได้รับการพยากรณ์จากสำนักของพระธีปบังกรพุทธเจ้าแล้วก็ผ่านพระพุทธเจ้ามาอีกยี่สิบสามองค์ก็บำเพ็ญบา ร, รมีมาต่อเนื่องแต่ว่า ก็คง่าไม่ไปศึกษารายละเอียดในเรื่องการบำเพ็ญบารมีในแต่ละชาติแต่ละชาติเพราะตระมองโดยสรุปแล้วก็เป็นเรื่องของการเจริญทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นพื้นเพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาพูดยังไงก็พูด แล้วเสร็จแล้วมันจะรวมอยู่ในศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาหรือการไม่ทำบาปทปั้งปวงการทำกุศลในสมบูรณ์การนำจิตใน้ p h ó แผ้วหรือว่าอริมักเปียงแปดประการพวกกุศลธระมส่วนเหตุก็จะมีลักษณะอย่างนั้นตลอดชื่อนั้นอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าเนื้อหาสาระแล้วจะเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีความเข้มข้นไม่เท่ากัน ดังนั้นในภพชาติต่างๆที่ทรงบําเพ็ญบารมีมันจะแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นแม้ในเรื่องเดียวกันกวันก่อนได้ยกตัวอย่างการบําเพ็ญบารมีสมัยพระพุทธเจ้าืสิว่าโคนทัญญะกัมมังคละมาแล้วกวันนี้จะพูดถึงบําเพ็ญบารมีสมัยพระพุทธเจ้าใน เขาเรียกว่าพุทธการพุทธกับนี้นะฮะคือพัตรกับเนี่ยพัตรกับนี้เขาบอกมีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าองค์มันก็มีตั้งแต่สมัยพระเวสสุผูปโกนาคมประกัศกุสันโทนะฮะโกนาคมก็กัดสปะแล้วก็โคดมต่อไปก็เป็นเียรียเมตรยัย คือเรามาดูตอนใกล้ๆทีนี้จะถามว่าใกล้ขนาดไหนนี่ท่านก็ไม่ได้บอกไว้นะครับโตามปกติแล้วแนวตรงนี้จะใช้คำว่าอาตีเตกาเลในอดีตการนานมาแล้วนานเท่าไรท่านก็ไม่บอกถ้าเราจะตั้งปัญหาถามว่ากับชาติพระเวชนดอนเนี่ยอะไรก่อนอะไรหลังก็ชัดเจนว่าชาติพระเวชนดอนทีหลัง ไปจากชาติพระเวสสันดรแล้วก็ไปเกิดเป็นสันตุสิทธิ์เอ่อสันตุสิทธิ์เทพบุตรแล้วก็มาเกิดเป็นสิทธัตถะเลยแต่ว่ายุคสมัยของพระพุทธเจ้ามันนานนานเหลือเกินลักษณะของการทําความดีจ้ในสมัยพระโกนาคามณะพุทธเจ้าคือก่อนพระองค์ไปอีกองค์หนึ่งนะฮะคือก่อนพระกัปตะปะไปก็ถึงพระโกนาคามณะ ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเกิดเป็นประชาทรงบนามาปปะตะครองสมบัติในเมืองมิถิลาทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทรงนาโมาโกนาขมันนาหรือโกนาคมุมจึงพร้อมด้วยค่าราชบริพานเสด็จตอนรับบูชานิโมนในรับหมหาทานแล้วก็สุนารัตนาพระพุทธเจ้าให้ประทับจบําพรรษาที่เมืองมิถิลา สวงปฏิบัติบำรุงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกตลอดสายมาาถวายผ้ามีค่ามากเป็นต้นผ้าไหมทําในเมืองปัตตุนทนะผ้าทําในเมืองจีนผ้ากําพลผ้าแพรผ้าปลึกไม้ผ้าฝ้ายเป็นต้นแล้วก็ถวายฉลองพระบาททองกับบริขารอย่างอื่นอีกเป็นนั้นมากจากนั้นก็ได้สดับพุทธพยากรณ์ เช่นเดียวกับที่ได้รับการขยักรอนในประชาทิอื่นๆให้เราสังเกตว่าโครงสร้างเนี่ยจะโครงสร้างของการที่ทำเนี่ยจะซ้ำๆแล้วก็จะแผลกออกไปบ้างก็เพียงเล็ก ๆ, ๆน้อยๆมันก็อยู่ในรูปของฐานศีลภาวนาดากาักกล่าวแล้วก็จบลงหรือช่วงสุดท้ายนั้นจะสละราชสมบัติสเสด็จออกพนวนูด แล้วก็บำเพ็ญบารมีเ อ, อ่อตรงนี้ไม่ไปเกิดในภุมโลกคือแสดงว่าเจริญระดับฐานระดับศีลไม่ได้ขึ้นไปที่ภาวนาก็บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ในจากนั้นมันผ่านพบชาติยังไงท่านก็ไม่ได้บอกไว้นะับก็มาถึงสมัยประกาศปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือก่อนพระองค์ไปเนี่ย ก็ได้บังเกิดเป็นมานพหรือชื่อว่าโชติปาระในตนําบลเวคกิตะเป็นสหายที่รักใคร่ชอบใจของช่างปั้นหม้อชื่อกติการะผู้เป็นอุปถากติเลิรของประกัศสปะพระผู้มีพระภาคเจ้ากติการะได้ชวนโชติปาระไปฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลขอให้ทรงแสดงธรรมโปรดโชติปาระบุสหายสองสหายก็ฟ้าการเร่นเร่งมันถึงใจอันโมธนา ขติการาทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าประธานบรรพชาประสมคทหมให้แกโ่โชติปาละเมื่อโชติปาระได้บรรพชาประสงบทหมดเป็นผู้บริรักความเพียรเรียนพระไตรปิฎกยังพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้งามด้วยการบริบัติขอวัดใหญ่น้อยพระกสปะผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นความอัศจรรย์ของโชติปาระเมื่อจะทรงยกย่อง พย่อส่งพยากรจึงสัตว์คำเป็นคาถาเหล่านี้แก่ภิกษุทั้งหลายคือประเด็นที่น่าสังเกตว่าบางพบบางชาติเนี่ยก็ได้บวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเส้นทางชีวิตของพระโพธิสัตว์กับเส้นทางชีวิตของพระสาวกนั้นจะต่างกัน คือพระโพธิสัตว์นั้นจะมุ่งไปสู่การบรรลุมรรคผลโดยสัตร์รู้เป็นอรหรันตสมาสมุทธเจ้าเป็นหลักตอ น, นท่านจะบวชส ก, กีภพกิชาติก็ตามฮะไม่มีทางจะเป็นพระโสดาบันคือจะไปกันคนละทางถ้าหากว่าท่านเป็นพระโสดาบันต่อไปก็ผ่านภพชาติแล้วจะเป็นพระอระหรันต์ผลสายของของภาษาวกกสายของพระโพธิสัตว์จึงแตกต่างกัน เราจึงพบว่าหลายภบหลายชาติที่สหายของพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ไปอยู่ที่พรหมโลกบ้างไปอยู่ที่สวรรค์บ้างบรรลุผลนิพพานไปเสียบ้างก็มีในวิมานวัตถุได้เล่าถึงพระโมคคัลลานะท่านเที่ยวไปในสูงสวรรค์ก็เทวดาพบเห็นเข้าก็ตื่นเต้นเห็นเป็นพระ ก็สอบถามว่าเป็นลูกศิษย์ของใครใครเป็นพระศ า, ศาสดาพระโมคคัลลานะก็เล่าความเป็นมาให้ฟังเทวดาเป็นมากตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเคยเป็นสหายของเทวดาเหล่านั้นแล้วเคยอยู่ร่วมกันมาสนิทสนมคุ้นเคยกันมาแล้วก็จุติจากโลกไปทเทวดาเหล่านั้นบอกเอาเป็นเพื่อนกันนี่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเหรอ ยังไม่รู้ว่นนั้นสิเห็นว่าหายไปคืวแสดงว่าเทวดาเนี่ยยุยืนมากนะแล้วก็ตรวจสอบดูว่าเทวดาแล่วเนี่ยทำบนในยุคไหนมันย้อนไปไกลมากแต่ก็ยันที่บอกนะะว่าตัวเลขเนี่ยบางทีก็อย่าไปติดใจมากเพียงแต่ว่าอายุมันก็สูงขึ้นกว่าปกติ การปบัติตนของพระโชติปาระโดยเว่าจะเน้นไปในด้านของการศึกษากับการปฏิบัติระดับศีลศีลอาจาระข้อวัดปฏิบัติคือหมายความว่าไม่ได้ปฏิบัติเลยไปจนถึงเจริญมิปัสสนาจนบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ภารกิจในการทำงานระศาสนา ที่ท่านแบ่งเป็นคันธะธุระกับวิปัสนาธุระคันธะธุระ ก, ก็คือศึกษาและรูเรียนพระสิทธธรรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็นำไปชี้แจงอธิบายสั่งสอนเผยแผ่ อ, ออกมาในรูปแบบต่างๆแต่ตนเองก็ปฏิบัติไปตามกำลังความสามารถจะปฏิบัติได้ จนถึงยามที่ศาสนาเกิดภัยเกิดอันตรายท่านเหล่านี้ก็พร้อมที่จะใช้ศักยภาพของตัวเองปกป้องคุ้มครองรักษาพระศาสนาคือในแง่ของความเป็นจริงก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากสายหนึ่งก็คือสายของวิปัสสนาธุระคือเน้นหนักไปในด้านการ ป, รปฏิบัติจนได้ชาญเป็นต้นไปะนะ ก็ไม่ใช่พระที่หาได้ง่ายเหมือนกันอาเรยาียนเป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าพระสัทธรรมคำสั่งสอนที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นสามารถดำเนินประโยชน์ให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติได้จริงก็เป็นประจักษ์พยานในการชัดสรูปของพระพุทธเจ้าเพราะฉะันทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่จริงเมือก็แขนทั้งสองข้างของคนมาคาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้แล้วก็ จริงๆเนี่ยปริยัติเองก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติเองก็ต้องอาศัยปริยัติมันไม่ใช่แยกเดี่ยวเพียงแต่ว่าจุดเน้นมันจะต่างกันคือพวกวิปัสสนาธุระนั้นจะเน้นไปที่การปฏิบัติจนให้ตนได้บรรลุผลสูงสุดตามกําลังความสามารถแต่ฝ่ายปริยัตินั้นจะเน้นไปที่การศึกษาการปฏิบัติ ก็ดับเรียกว่าศีลแล้วก็ธรรมะตลอดถึงสมาธิก็มีปัญญาเป็นหลักในการพิพจารณาแต่ไม่ถึงกับไปทำลายกิเลสพ็ทาลายกิเลสที่จริงมันก็ไปได้นะบทท่านจะแยกไปทั้งกับไปได้เพียงแต่ว่าในจุดเน้นตรงนี้ก็ช่วยในการนำสื่อพระพุทธศาสนา ถ้าพวกฟังคงได้อ่านข่าวทังสือพิมพ์บางฉบับที่เอาพระไปขึ้นพระคลิปของกรมการศาสนา่พระที่ทํางานเผยแผ่ออกทางสื่อวิทยุต่างๆเนี่ยแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ได้อ่านนะก็ยังจะติดต่อขอรายละเอียดจากกรมก็มาอ่านดูก็พูดไปในทํานองว่าพระพวกนี้ยเรียกอะไร คือเป็นปัญหาที่เราไปเลือกตัดเป็นท่อนๆ อ, ออกมาเนี่ยได้คือพูดได้นะแต่ปัญหาว่ารับผิดชอบได้หรือเปล่าเพราะว่าท่านเหล่านั้นเมื่อท่านทำงานเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการทำงานมีกิจกรรมต่าง ๆ, ๆเยอะนะเมื่อเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องบอกกล่าว คนคนโมทนาช่วยเหลือท่านก็อนโมทนาเขาแล้วก็วัดบางบัดเคยคุยด้วยนะฮะก็ปรากฏว่ามีโยมก็ศรัทธานะก็ช่วยบริจาคค่าเช่าสถานีให้คือไม่มีทางทำได้หรอกถ้าไม่มีการลงทุนลงรอนเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยเท่านั้นเองอย่างพระบางรูปก็มีญาติโยมก็ช่วยกัน แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องอัญโมธนาเราก็ไม่พูดท่านันเองฮะแต่ว่าไม่มีใครที่ทำงานได้โดยลำพังมันจะต้องมีคนช่วยเหลือแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแก่ววัดทังเจ้า ว, วาดดงชนบทคือเราน่าจะไปเยี่ยมเย็ยนท่านดูหน่อยนะฮะว่าท่านทำงานอะไรกันหรือไม่ใช่ว่าเอามาประจานเพียงเพราะเหตุวาเริ่อะไร ปัญห า, าว่าใครเรื่ออะไรเรื่องอะไรเรืร่อะไรไปทําอะไรแล้วศาสนาได้ประโยชน์อะไรจากการได้อะไรจึงเราจะพบว่าผลงานใหญ่มันก็มีไรอย่างนั้นทุกทีแหละตั้งแต่สร้างพระบาทพระพุทธบาทมาบุรณะไอโบราณสถานทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องบอกกล่าวในการบอกกล่าว ธรรมดาปกติเนี่คือการบอ ก, กราเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าคนจะทําหรือไม่ทํามันเป็นเรื่องของเขาคือหลักการปฏิบัติธรรมะเนี่ยเมื่อเราไม่ทําก็ทําใจเฉยๆเสียก็ไม่ใช่ว่าจะไปกล่าวหาใส่ไรใกล้ายๆกับท่านเหล่านั้นไม่ใช่พระนันขาดเมตตาธรรม มันมีวิธีการที่ทําให้ดีกว่านั้นแต่ที่จริงอะมาเคยเสนอนะฮะมาเป็นกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมาทิรสมาคมก็ทำหนังสือเสนอไปที่ผู้ใหญ่ว่าให้ตรวจสอบแล้วเขที่ยริงก็ตรวจสอบนะะขอจะกลุมญชาสัมพันธ์ขอจะกลุมฝ่ายทหารหต่างๆเนี่ยให้รวบรวมรายการเหล่านี้มาให้คือจะนัดประชุมสัมมนาแล้วก็ทําความเข้าใจกัน คือไม่ใช่ว่าระยกเลิกกิจกรรมของท่านมีปัญหาก็แก้ไขสามัญชนเนี่ยไม่มีใครเลยไม่มีปัญหาหรอกนะมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขแล้วจะเอาไปไหนล่ะคนที่ตั้งใจทำงานอย่างนั้นที่จริงหาได้ยากก็ไม่รู้จักกี่รูปหรอกแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ยินชื่อเสียงทางวิทยุนั่นแหละถ้าถามว่า เออพวกที่ขึ้นขึ้นลิสต์อยู่เนี่ยเคยคุยกันไมยก็มีอยู่สองสามรูปนะเคยคุยกันแต่ว่าสนิทสนมคุ้นเคยเนี่ยมันก็มีสักรูปรูปเดียวนะคุ้นเคยะสมควรเนี่ยนั่นก็คือเป็นงานที่ทำแล้วก็หลักการในการทำความดีเนี่ย เขาให้ชวนคนอื่นด้วยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลที่ให้ทานเนี่ยให้ทานโดยตนเองไม่ชักชวนบุคคลอื่นก็จะสมบูรณ์ด้วยพว ก, กสมบัติแต่ว่าขาดแคลนบริวารสมบัติหรือว่าดีแต่ชักชวนบุคคลอื่นแต่ไม่ให้โดยตนเองก็จะมากด้วยบริวารสมบัติแต่ขาดแคลนพ ก, กสมบัติ คนบางคนไม่ไม่ให้ดูตนเองไม่ชักชวนใครก็ขาดแคลนทั้งสองอย่างคือทั้งโภพกสมบัติและบริวารสมบัติแต่ว่าคนบางคนนั้นทำเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นด้วยก็ช่วยท่านสมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติแล้วก็ภพกสมบัติไอ้ น, นี่คือเนื้อหาที่คนก็ต้องการคือถ้าเรามองวัดให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมหน่อย อย่ารู้สึกเป็นเราเป็นเขาคือวัดในพระพุทธศาสนาตามพื้นฐานที่เรามองแบบสเพสตามองพื้นฐานแบบปานาธิปาตาเนี่ยอะไรมันจะดีขึ้นเยอะแต่ว่าเรามักจะมองคนอื่นในเชิงจับผิดโดยไม่ได้มองให้ตลอดว่าที่จริงมันก็วัดนะวัดก็คือวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อเป็นพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้สร้างเป็นผู้ดูแลเป็นทูปเป็นผู้ทนุบํารุงรักษาเทนนั้นเองเป็นศาสนาสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่ท่านโชติปาระที่ท่านออกบวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติทํางานอย่างเนี้ยกับงานการศึกษาแล้วการฏปบัติ จะมีความแตกฉานในาศาสนธรรมแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่เผยแผ่ธรรมะออกไปแล้วก็ดูแลรักษ า, าศาสนาโดยมโนธ า, นนธานไอมโนปณิธานของท่านก็คือปรัถนาการเป็นพระพุทธเจ้าการปัยากรของพระกัตสปะสมาสมุทติเจ้าเป็นการให้รายละเอียด ก็ีจริงก็คือสรุปย่อพุทประวัติอันเดงรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูภิกษุผู้ประพฤติตามคำสอนของเราในพัฒกับนี้ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตจะเสด็จออกจากพระนครก บ, บินละพัดอนารินรมทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกกรกรยาพระตถาคตจักประทับนั่งในกวงไม้อัจปานิโครธทรงรับเข้า ปายาตณนะที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญจราพระจินเจ้าพระองค์นั้นจักสวยข้าปาญาตริมฝั่งแม่น้ำเนรัญจราและเสด็จไปยังควงไม้โพชิพฤก ต, ตามมคาอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้อย่างดีต่อแต่นั้นพระตถาคตผู้มียศใหญ่จักทำประทักษิณโพธิมลทนอันยอดเยี่ยมประทับนั่งขัดสมาธิ ทรงศัสรูณโพธที่บรรลังสูงสุดซึ่งเป็นที่อันเปรศไม่มีใครจะให้แพ้ได้ประมารดาผู้ให้กำเนิดของรัตถาคตนี้จกมีนามว่ามายาพระบิดา ม, มีพระนามวสุะทโธทนะรัตถาคตนี้จกมีนามวโกดโคมหรือโกต ม, ม, มะปะเตระนามว่าโกลิตะและอุปติสะจกเป็นอาคสาวกปเตระนามว่าอันน์จกเป็นพระอุปถาก ปฏิบัติบำรุงพระจิตนเจ้านั้นประเทรีน้มอเขมาและอุบลวร น, นาจะเป็นอักสาวิกาตนไม้ที่ศัสรูของพระผุมิระภาคเจ้านั้นชาวโลกเรียกว่าอสัต tha กิตตเกื้อบดีและหัตถกะเกร้อหับดีชาวเมืองอารวีจะเป็นอั克拉อุปถากนันทมาตาและขุดชุตตราจะเป็นอ克拉อุปถายิกาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้สดับพระดํารัสของพระผูมิระภาคเจ้าแล้วต่างก็ ร่าเริงชื่นชมยินดีสาธุการแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะเกิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าของเร า, เาส่วนพระหมหาบุรุษเองคือโชติปาระภิกษุเนี่ยได้รับการพยากรณ์แล้วก็ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอุตสาหะสูงขึ้นทําความเพียรพยายามมากขึ้นแล้วก็ พอตายไปแล้วก็บังเกิดในสุกติอีกก็รวมแล้วว่าท่านบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีและรับคานพยากรณ์ในสนัมนกของพระพุทธเจ้าเบ็ดเสร็จทั้งหมดนับจากปฏิพังกรพุทธเจ้ามาก็ยี่สิบสี่องค์มันแสดงให้เห็นเึองอะไรแสดงให้เห็นเึ่งสังสารวัตรที่หมุนวนต่อนเนื่องยาวนานเหลือเกินไม่รู้จะนับยังไง แล้วพบแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางชาติก็เกิดเป็นพรามบางชาติก็เกิดเป็นสามัญชนบางชาติก็เกิดเป็นกษัตริย์บางครั้งไปหายไปถึงไปเจ้าจักรพรรดิเลยมันก็ได้สะท้อนกระบวนการของกิเลสกับกระบวนการของกรรมที่นําไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณซึ่งมีคุณภาพที่ยิ่งย่อนแตกต่างกันออกไปแล้วก็จนถึง สร้างอุปัิสัยปัจจัยให้ใกล้ใกล้ชิดนะฮะคือใกล้ต่อพระนิพพานมากยิ่งขึ้นในเรื่องเหล่านี้มีประเด็นที่น่าจะศึกษาสำเนียงคือว่าที่จริงมันเป็นการสะท้อนธรรมในลักษณะของธรรมะล้วนๆแล้วก็หมุนไปกระบวนการธรรมะเหล่าเนี้ยในการต่อมาที่เรียกว่า อริยศาสตร์สี่หรือว่าปฏิจจสมบัติหรือว่าจะเรียกชื่ออย่างอื่นมันก็อยู่ในกลุ่มธรรมะที่ส่งประพฤติปฏิบัติเพราะธรรมะโดยเนื้อหาสาระก็คือเขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ทำให้คนอื่นซึ่งมีธรรมะข้อนั้นเป็นอย่างที่ธรรมะเป็นด้วยเช่นว่าเมตตาเกิดขึ้นไปในใจใครก็ตาม พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลนั้นด้วยการพูดด้วยการกระทําหรือแม้แต่ความคิดนี่จะกรอบหรือเมตตาในสรรพสัตย์ขยายวงกว้างออกไปมากน้อยก็เป็นรายละเอียดแต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าคนนั้นจะนับถือาศาสนาอะไรก็ตามเพราะฉะถ้าเรามองให้เข้าใจในประเด็นตรงนี้ก็จะเห็นว่าในโลกนี้ที่จริงมันไม่มีคดีโลกคดีธรรมอะไรมันก็ธรรมะล้วนๆนั่นแหละ เพียงแต่ว่าธรรมะมันมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีแล้วก็ส่วนที่เป็นกลางๆลางผลพฤติกรรมของมนุษย์มันก็มีสองอย่างกลางกลางนี่หายากอะนะพฤติกรรมดีกับไม่ดีดีมากกับดีน้อยแต่นั่นเองแต่ว่าตัวอย่างของพระโพธิสัตว์ที่เน้นพฤติกรรมในทางบวกแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็หมายความมากิ่เลียก็ลดละจางคลายไปโดยลําดับนั่นเอง นี่ก็เป็นเรื่องพุทธการะธรรมหรือว่าบารมีที่ทรงกระทำบำเพ็ญสืบต่อกันม า, าต้องฟังทั้หลายแต่รงพระพุทธาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาหนึ่งท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองามไพบูรณนธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี